เพราะว่าจิตของเราเป็นเป็นนายอย่างอาตมาก็สังเกตนะในช่วงที่มาทีนี่ไปติดหุ่มแพ้ความเย็นจัดทางน้นมามากระทบร้อนก็เไอแต่ว่าอะไรก็ตามที่มาจะถึงยาถึงหมอเนี่ยต้องรักษาตัวเองให้เต็มที่ก่อนจะรักษาตัวเองให้เต็มที่ไม่ดีขึ้น หมอยาเป็นชอยสุดท้ายเป็นทางเลือกสุดท้ายเพราะถ้าหากว่าเราไม่อาจจัดการทุนนี้ให้เข้มแข็งเราก็จะทําให้เราขาดโอกาสที่ได้จะรู้จักตัวเองเพราะเราไม่ได้อยู่กับหมอกับยาโดยตลอดประการแรกต้องดูแลตัวเองก่อนทีนี้ก็เราก็ต้องมีความความรู้และประสบการณ์ ก็ไปฝึกกับหมอทั้งเลือกเข้ามาที่จะสอนเราได้ว่าเวลา เ, ออเราเป็นอย่างนี้อย่างเนี้ยเราจะรักษาตัวเองอย่างไรเราก็มาฝึกดูฝึกทําดูฝึกทําดูบ่อยๆมันก็เกิดประสบการณ์นั้นเวลาเราเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยเราคิดถึงวิธีการที่เราจัดการตัวเองอันดับแรกหรือว่าไ อ, อ้เนี้ยเราก็รู้สาเหตุว่าอะไร เ, ออเราเคยเป็นภูมิแพ้เมาก่อนเมื่อผิดอากาศภูมิแพ้ก็กําเริบเราจะแก้ไขอย่างไร ประการแรกที่สุดแล้วก็ล้างล้างสารพิษออกจากตัวเองก่อนวิธีล้างสารพิษทําอย่างไรแต่ถ้ากว่าอยู่ที่วัดอาตมาก็จะพุ่มแพร์แบบแรกคือแช่มือแช่เท้าด้วยน้ําร้อนจัดก่อนจะลงทันทีนะแต่ที่นี่เราไม่ค่อยมีโอกาสเดี๋ยวรุกวนชาวบ้านลําบากไม่ใช่วัดเรา <c oughs> ก็จัดการชอยที่สองคือล้างสารพิษจากร่างกายนําดิทอป ต่อมาก็ดูว่าโปรแกรมอาหารเป็นยังไงเราฉันสลัดติดกันลหลายมือ้อเป็นผักที่เย็นเป็นส่วนใหญ่ผักที่เย็นทําให้ปอดเรยชืน้นถ้าก็ทานตันต่อเนื่องกันหลายวันผักผลไม้ที่ริดเย็นให้ปอดเราชื้นแล้วก็จะไอได้ไง่ายก็ต้องลดสลัดลงฉั น, นได้หร้อลอน้นพวกที่เป็นคาร์โบไฮเดรตพวกแป้งพวกอ ะ, อะไรต่างๆให้เกิดความร้อนขึ้นมาก็ขับ ทําให้ร่างกายอบอุ่นขึ้นนะแล้วก็มาดูอ๋อเราฉันเยนนังต่อนึงก็หลายว่ยาเยนนังทําให้เย็นหักที่เย็นทําให้ปลอดชื้นแล้วก็คนเยนนังไปนะคือคือต้องรู้ถึงวิธีการจัดการตัวเองให้ได้ก่อนว่าอันไหควรจะเพิ่มร้อนในควรจะเพิ่มเย็นถ้าเราเพิ่มจัดการมันถูกอาการเราก็หายไปใส่สังเกตมาว่อวานะมาไม่ค่อยไอยเลยใช่ไหมแต่วันนี้ก็คงหาย ออนอกจากนั้นก็คือโยคะเข้ามาช่วยท่าลุมปราณบริหารลุมปราณไล่เสเลดและหอบหื้นที่มันพันคอเราการใช้ลุมปราณแล้วก็โยคะบางท่านี่คือการจัดการตัวเองด้วยแพทย์ทางเลือกเนี่ยเราต้องใช้หลายอย่างก็ถ้าเราจัดการตัวเองเนี่ยทำให้เราได้ไประสบการ เพิ่มขึ้นแล้วประสบการณ์อันนี้เราก็จะไปแชร์ไปแบ่งปันคนอื่นได้เอาไปามาคนที่ไม่ไม่สบายมาหัดมามาแกะตรงนน้นนิดนึงนิดหน่อยเออเขาหายขึ้นมาว่าเออเราเป็นหมอไปนะแต่ความจริงไม่ใช่เราก็ให้เขารักษาตัวเองเแหละต่บอกวิธีการให้เขานะนั่นเมื่อเขาทําตามเราแล้วเขาก็ดีขึ้นนะอันนี้คือแพทย์ทางเรื่องเนะี่ยนอกจากจะทำให้เรารู้จักดูแลตัวเองได้แล้วก็เราเอาประสบการณ์ที่ได้จาก การดูแลตัวเองไปดูแลคนอื่นได้ด้วยแต่ถ้าหากว่าเป็นแพทย์ปัจจุบัน mm hmm. เขาก็เลี้ยงไข่เราแหละเขาก็อยากจะได้ลูกค้าใช่ไหมเขาเลี้ยงไข่เราไว้ให้สมุยาที่เขาจะให้เราหายร้อย mm hmm. เปอซาให้สิบเยซไปเรื่อยๆ mm hmm. เขาก็เลี้ยงเราไว้เป็นลูกค้าแต่เราก็ตกเป็นลูกค้าของหมอ ถ้าหากว่าทุกคนมาสนใจแพทย์ทางเลือกอย่ามาสนใจหมอก็ไม่มีอาชีพะนะหมอก็เดือร้อนเขาก็ไม่มีลูกค้าแต่ว่าคนไม่เป็นอย่างนั้นทุกคนเราเอามาเชื่อเพราะอะไรเพราะคนมันเห็นแค่ความสะดวกเห็นแค่ความสบายอะไรยากๆเราไม่อยากทําเขาเรียกว่านิสัยของคนไทยเรามีอย่างคือไม่ไม่ไม่เรียนรู้และไม่สู้สิ่งยากเราต้องเรียนรู้สู้สิ่งยากเราถึงจะอยู่ในยุคสมัยของไอ ทเทคโนโลยียุคสมัยที่เต็มไปด้วยสารพิษเรียนรู้สู้สิ่งยากอันไหนที่มันถ้าต้องเรียนรู้อะไรที่มันยากลองศึกษาดูมันก็จะไม่เกินวิสัยของเรานะแล้วเรื่องที่ยากไปกว่านั้นนะราคาตัญหามานาทิฐิถ้าเรื่องง่ายๆเหล่านี้ไม่สนใจที่จะทำะระลึกยากอย่างนั้นก็ไม่อยากจะพูดถึงนะเนาะออมันยากขนาดไหน เพราะฉะนั้นเอามาก็มานึกถึงเอ็กขนาดกิเลสตัณหาเวทานแล้วก็ยังจัดการกับมันได้มันไม่ได้มันไม่ละเอียดจนไม่มีเห็นตัวมันนะเราจัดการกับมันได้แล้วเรื่องร่างกายสุขภาพมันเรื่องเห็นเกันเนี่ยทาไมเราจะทําไม่ได้ใช่ไหมอันนี้คือหลักของความเป็นจริงจะปล่อยให้ตัวเองเจ็บป่วยทําไมร่างกายจะเป็นของวิเศษของบริสุทธิ์สะอาดแล้วปล่อยให้เขาเจ็บป่วยแสดงว่าเราได้ทำตามตัณหาของเราเราถือเป็นอย่างนั้นเราได้ตอบสนองต่อ ตัญหาของเราเยอะเกินไปมันเลยสานพิษตักค้างแล้วก็ไม่เรียนรู้ที่จะจัดการแก้ไขตัวเองนี่นะยิ่งไปหาหมอเอออันนี้ไม่ไม่ไม่ไมเป็นธรรมกับตัวเองเลยนะเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ขนาดเรามาศึกษาปฏิบัติธรรมขัน้นปรมัตัยแล้วเนะี่ยยังทําได้เลยแล้วเรื่องร่างกายเป็นเรื่องห ย, ยาบหยาเป็นเรื่องสมมติมันก็เหมือนเปลือกอะเพราะฉะนั้นมีดเรามันจะไปฟันแก่นได้มันก็ต้องฟันเปลือกฟันกระพี้ให้ได้ซะก่อน ถ้าฟันกระพี้กันเปลือกยังไม่เข้าแล้วไอ้แก่นม่นจะเข้าได้ไงเออนี่ท่องคำนึงถึงความเป็นจริงเนี่ยเราทําอะไรก็ตามคำนึงถึงความเป็นจริงที่เป็นรูปธรรมให้ชัดถ้าหาป่วยงั้นเราก็เป็นเรื่องเพ้อฝัน <c oughs> แต่ไม่อยากว่ากันนะ <c oughs> ันนะเพราะฉะนั้นท่องจัดการเรื่องรูปธรรมนำ่ะอย่างพระกรรมาฐานป่วยนี่เอามาไม่ค่อยเห็นด้วยเลยว่าท่านปฏิบัติถูกหรือเปล่าถ้าท่านปฏิบัติถูกต้องไม่ป่วยเรื้อรังแบบนั้นสิ ใช่ไมแล้าทํารายก่เลสแล้วร่างกายของท่านเป็นอะไระะท่านต้องดูแลตัวเองสิแต่บางครั้งโรคภัยไข้เจ็บเราก็เดินเรือจากมันเราต้องเจ็บเราต้องป่วยอันนั้นคือธรรมชาติของเขาเราต้องอาตายคือธรรมชาติของเขาแต่ว่าในการเจ็บการป่วยการตายเรวเราก็ต้องศึกษาเขาเหยียวยาเขาได้ก็เหยวยาเยวยาเขาไม่ได้ก็สูตรวิสัย แกอยู่กับฉันไม่ได้แกก็ไปสิฉันก็ไปห้องฉันแกก็ไปห้องแกอยู่ร่วมกันไม่ได้แล้วเราขนาดฉันดูแลแกขนาดนี้แกยังมาทําเป็นเรื่องฉันเลยอย่าอยู่ด้วยกันเลยไล่มันกลับบ้านไปใช่ไก็คือไปสู่ธาตุเดิมของแกใต้ดินน้ำดวงไฟฉันก็ไปห้องฉันแกก็ไปห้องแกในที่สุดแล้วรูปทําก็ไปทางนามธรรมก็ไปทางใช่ไหมเออมันเรื่องสนุกในชีวิตไม่ใช่เรื่องจะมานั่งทุกนั่ง เศานั่งรวมนั่งไปโลกภยัยไข้เจยบกันไม่วิจักหยุดจากยนต์มันไม่ได้นะนะอา ม, มาจะไม่ป่วยตายได้สัมไปถึงเวลาก็ปิดสวิตไปเลยนะ่เพ <c oughs> <c oughs> ราะฉะนั้นเรื่องอุปสรรคทาของพรุทธเจ้านี่สนุกจริงๆด้ศึกษาได้ที่แล้วนะเพราะฉะนั้นก็ช่วงเชาเนี่ยเรื่องจิตมันมีอิทธิพลอย่างไรมีผลอย่างไรเนี่ยอาจารย์ขอจิตท่านจะ สีแจงหเราฟังท่านก็มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ไม่บอกท่านก็เอาประสบการณ์ที่ท่านต่อสู้กับตัวเองเนี่ยมาแชร์กับพวกเราไม่ใช่ความรู้นอกตำรานะ <c oughs>